ในสมัยพุทธกาลมีพรามคนหนึ่งนะชื่อว่าพารทวาชะนะจบวิชาไตรเพศไตรเพศนี่มันเป็นคำพิเศษศักดิ์สิทธิ์นะของลทัทธิพรามพารธวาชะเนี่ยต่อมาก็ตั้งสํานักสอนวิชาไตรเพศก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะเพราะว่าคนสมัยนั้นเขาก็สแสวงหาวิชาความรู้แต่ว่าพารทวาชะนี่เป็นคนที่โลภในอาหาร จะเรียกว่ามากมากในการกินก็ได้หรือถ้าภาษาชาว่าคือตะกะนะล้วกินจุแล้วก็ไม่เลือกที่ด้วยไปที่ไห น, นมีลูกศิษย์ลูกหาตามไปคนเขาเอาอาหารมาให้พระรัฐวาชาก็แย่งเขากินนะนะของตัวเองนี่กินคนเดียวไม่พอแล้วแย่งของคนหนึ่งเขาอีกลูกศิษย์ลูกหาก็เลยละอาะผิดหวังในตัวอาจารย์นะ ว่าเป็นผู้นี้มากมากในการกินไม่น่านับถือยิ่งกว่านั้นนะก็ยังรู้สึกว่าอาจารย์นี่แย่งอาหารของตัวเองกินนะทำให้ตัวเองได้กินน้อยนะก็เลยคิดว่าอยู่กับอาจารย์คนนี้นี่มีแต่เสียนะก็เลยพากันละทิ้งอาจารย์นะลูกศิษย์ลูกหาก็ไร่หรอพอไม่มีลูกศิษย์นะก็ไม่มีรายได้ ไม่มีลาบสักการะเดิมทีก็อยู่เมืองนึงนะแต่ว่าพอขาดแคลนลาบสักการะก็เลยได้ข่าวว่าราชครืนี่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะก็เลยย้ายไปที่เมืองราชครื่นแต่ก็เหมือนเดิมนะทีแรกก็มีลูกศิษย์เยอะแต่พอลูกศิษย์เห็นพฤติกรรมของอาจารย์นี่ก็สายหน้าแล้วก็ละทิ้งสำนักไป พระรัตวาชาก็เลยเไปเล่าอดอยากปากแห้งกันไนดะ้แล้วบังเอิญนะไปเห็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี่ได้รับศรัทธาจากญาติโยมบิณฑบาต ท, ที่ไรก็มีคนถวายอาหารให้ไม่ขาดเลยพระรัตวาชาก็เลยมีความคิดว่าเรามาพึ่งพาพุทธศาสนานเลี้ยงชีพดีกว่าได้เห็นพระนี่นะ มีอาหารไม่ขาดเลยก็เลยตัดสินใจมาบวชพระนะบวชพระนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีศรัทธาในศาสนาหรือว่าปรารถนานิพพานความพ้นทุกนะบวชพระเพราะว่าอยากจะมีกินนะเพราะว่าพระวชานี้เห็นแก่กินนะเวลาไปบินทบาทนะก็เลือกบาทใหญ่ๆลูกใหญ่ๆ แล้วก็เที่ยวบินทบาทจนกระทั่งได้อาหารเต็มบาทเลยอาหารเต็มบาทนี่พระธวาชชากินหมดนะเพราะเป็นคนกินจุแล้วเลี้ยวขนไควยนะในเรื่องการกินมากเลยทั้งที่เป็นพระและ้วจนกระทั่งเป็นที่ระอานะของเพื่อนพระด้วยกันแล้วก็ตั้งสมัญานามของพระธวาชชว่าบินโทละ ก็เลยได้ชื่อว่าปินณฑรพารทวัชะปินโทพ ร, ระรแปลว่าบินทบัตเพื่ออบวดเพื่อหวังบินทบทัตมาบวดเพื่อหวังอาหารนะเป็นสมญาณ น, นามนะแต่ว่าปารถวัชะ อ, องค์นี้นะเป็นคนที่ฝ่ายดีอยู่บ้างนะพอมาบวดแล้วนี่แม้จะมากในการกินนะแต่ว่าทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยก็เริ่มซึมซับนะ คำสอนของผู้เจ้าโดยเฉพาะเรื่องคำสอนเรื่องความรู้ประมาณในการบริโภคนะซึ่งเป็นข้อหนึ่งในโอวัตปาติโมกนะตอนหลังก็ค่อยๆเริ่มนะรู้ประมาณในการบริโภคเริ่มอดกลั้นนะความอยากแล้วก็หันมาสนใจทําความเพียรโดยนี่เป็นอ า, า, อาจารย์นะรู้วิชาตรีเพศนะแต่ว่าตอนหลังก็หันมา ปฏิบัติต่างคำสองของพระเจ้าเทเลนิดเทเลนิดนะความเพียรก็เพิ่มมากขึ้นในที่สุดก็ก็บรรุอรัตผลเลยนะจากคนที่เห็นแก่กินนะมาบวชเพราะหวังจะได้อาหารเลี้ยงชีพหรือว่าสนองความอยากกลายเป็นผ้ า, า, หารหันในที่สุดนะ แล้วก็ไม่ใช่พระหรันธรรมดานะมีวิชาสามแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยมีฤทธิ์นะแล้วก็ตอนหลังก็เป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสา ว, วกเพราะว่าท่านชอบทุดงพอใจกับชีวิตชีเรียมง่ายหนะันมือเดียวอยู่คนไม้แล้วก็ ท่องจเลิกไปในป่าเบิร์นนะราชคลีเนี่ยมีวันหนึ่งนะเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยไปเจอไม้แก่นจันทร์ก็เปุ่มไม้แก่นจันทร์บางที่ก็ว่าเป็นปุ่มไม้แดงไม้จันทร์แดงเป็นของมีค่ามากเศรษฐีนี้ก็มีความคิดว่า เ, เราจะทำยังไงดีกับไม้มีค่านี้ก็เลยคิดว่าเนี่ยทำเป็นบาตดีกว่าทําเป็นบาต แล้วก็เอาไปเอาไปตั้งแขวนไว้ในที่สูงสูงเนี่ยประมาณ15บหาวาก็30เมตรนะเอาไปแขวนไว้ทำไมนะคือเศษฐีเนี่ยอยากจะรู้ว่าเนี่ยใครเป็นพระราหาันที่แท้เพราะว่าราชครุ่ น, นี่มีอาจารย์เยอะหลายสำนักต่างคนต่างก็ว่าตัวเป็นพระราหารัน ไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นพระรหันต์แน่ก็เลยคิดว่าเนี่ยทดสอบด้วยการเอาบาดนะปุ่มไม้จันทรแดงหรือไม้แก่นจันเนี่ยไปแขวนไว้นะบนยอดไม้ไผ่แล้วก็ประกาศนะใครเป็นพระรหันต์เนี่ยให้เหาะนะมาหยิบเอาบาดไม้แก่นจันทร์นี้ไปให้เวลาเจดวันนะประกาศไปทั่วกรุงราชคือ ก็บอกว่ามีอาจารย์เนี่ยหลายสำนักเลยนะบรุรนณักษะสปะหรือว่าทีขานักขะไม่ใช่นิครณนาตบุตรซึ่งอ้างว่าตัวเป็นพระอรหันต์อยากได้ไม้อยากได้บาดไม้นะก็พยายามอ้อนวอนวิงวอนขอจากเศรษฐีเศรษฐีบอกว่าไม่ให้หรอกนะต้องไปต้องเหาะไปเอาแต่อาจารย์ทั้งหกนี่แนละ้วก็เหาะไม่ได้นะ เศรษีกเลยบอกเนี่ยโอ้เมืองราชาครื่นี่ไม่มีพระอรหันต์เลยบอกว่าความข้อนี้ไปถึงหูพระปิโทระนะเขารู้สึกว่าเนี่ยจริงๆมันมีพระอรหันต์นะและพระอรหันต์นี้ก็มีในพุทธศาสนาด้วยหากว่าไม่มีพระรูปใดเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยห่ขอขึ้นไปหยิบเอาไม้เอาบาดไม้เนี่ย คนก็จะเลือกันว่าเนี่ยไม่มีพระอรหันต์แม้กระทั่งในพุทธศาสนาพระปินโทล้านนี่ก็เลยอาสาเลยนะเหาะขึ้นไปเลยนะไปหยิบเอาบาดไม้แก่นจันมาเษทีเห็นเนี่ยก็โอ้เชื่อเลยนะว่าพระอรหันต์มีจริงแล้วก็กราบไหว้เคารพพระปิณฑลละรวมทั้งกับผันมาศรัทธานับถือในพุทธศาสนา เรื่องก็ไ่้จะจบเท่านี้นะปรากฏไม่จบนะเพราะว่าพอพระปินฑลรราน์เนี่ยกลับเข้าเวลุวันนะประชาชนเนี่ยก็ลือกันนะว่าพระปินโทรรตน์นี่เหาะได้คนที่ไม่เคยเห็นพระปินฑลรัตน์เหาะก็มาที่วัดมากันแน่นขนาดเลยแล้วขอให้ท่านเนี่ยแสดงอิทธิปฏิหารให้ดูท่านก็ทำนะคนยิ่งมากันใหญ่เลยบอกว่าเสียงเนี่ยคน เสียงอื้ออึงดังเลยนะทั่ววัดเวรุวันพระเจ้าเนี่ยได้ยินนะก็เลยถามพระอนุนว่าเกิดอะไรขึ้นพระอนุนก็เล่าความจริงพระเจ้าก็เลยเรียกพระปินโตละมามาตำหนีนะว่าทำยี่ไม่ถูกนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็บัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกสแสดงอิทธิปฏิหารส่วนบาส น, นั่นเนี่ยก็ เอาไปบททำเป็นยานะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะเรื่องแต่ว่าเนี่ยภาพปิณทรานเนี่ยเดิมทีท่านก็ก็เหมือนตาอาจจะยิ่งกว่าคนทั่วไปนะเห็นแก่กินตะกระนะมาบวชพระเพร่อหวังลาบสักการละแต่สุดท้ายนี่ท่านก็บรรลุอรหัตผลมีพระจานวนมากนะที่ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ไม่ได้มาบวชเพื่อหวังดิพานนะหวังลาสักการละแต่สุดท้ายนี่ก็ ได้พัฒนาตนนะจนกระทั่งเป็นพาาระรหันต์กาเดียวกันเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยนะแม้จะมีอิทธิฤทธิ์ยังไงเนี่ยก็ไม่ควรแสดงนะเพราะว่าถ้าแสดงแล้วเนี่ยญาติโยมก็จะไปเข้าใจว่าคุณสมบัติพระรหันต์เนี่ยคือมีฤทธิ์ซึ่งไม่ใช่นะคุณสมบัติทานะ่านนั่นคือปัญญาที่นําพาสู่ความพ้นทุกข์นะอันนี้คนทุกวันนี้เนี่ยก็อยากจะเห็นพระแสดงปฏิหาร นะแล้วก็คิดว่าพระที่แสดงปฏิหาร์เนี่ยเป็นพระดีเป็นพระที่มีคุณนิพพิเศษแต่พุทธศาสานานี่คืนทําอย่างนั้นเนี่ยมันตรงข้ามนะเพราะว่าพระที่ดีเนี่ยท่านไม่ไม่อวดไม่แสดงโดยเพราะเรื่องปฏิหารสอนแต่เรื่องธรรมะที่ทําให้คนพ้นทุกข์นะพระปิโทรานี่ท่านปรารถนาดีหวังดีนะอยากจะให้คนรู้ว่าเนี่ยในพุทธศาสานานมีพระลรหรันแต่ว่า การแสดงปฏิหาร์อย่างนั้นเนี่ยมันทำให้คนยิ่งหลงเข้าไปใหญ่หลงในเรื่องฤทธิ์หลงเรื่องปฏิหารแทนที่จะหันมาสนใจในเรื่องของธรรมะและปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ให้ความพทุกข์นั้นเกิดขึ้นกับตนนะกลับไปหลงสิ่งนอกตัวซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้มิจฉาชีพนะหรือว่าผู้ที่อ่าเป็นอนักชีเนี่ยมาช่วยประโยชน์ได้มันหลอกญาติโยมว่าฉันมีฤทธิ ป, ปฏิหาร นะพาออกนอกทางไปก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราก็ต้องตะหนักนะจะไปคาดหวังเรียกร้องให้พระแสงปฏิหารหรือไปชื่นชมพระที่แสงปฏิหารนี่อันนี้ไม่ถูกนะต้องดูที่ธรรมะที่ท่านสอนและพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกว่ามีอาจารย์งดงามไหม